ท่านฟังที่ครบคาระาการสันสนีสนทนานะคะมาพบกับท่านฟังกันในช่วงที่สองแล้วล่ะค่ะเมื่อสักครูน่นี้ฟังพระมาร์คชาควโรท่านก็ได้อ่านพระสูตรให้กับพวกเราฟังซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุธอง์ตรัสไว้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติเนี้ยต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าท่านก็ได้อ่านให้ฟังถึงการที่พระพุธอง์ได้ตรัสว่าทำเป็นเครื่องให้ถึงวิมุต ห้าประการว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พูดถึงการสาธยายพุทธวจนะอย่งที่ทางรายการนี้พยายามทำกันอยู่โดยพระภิกษุทั้งสองรูปการเข้าสมาธิแทงตลอดเนี่ยเนื่องจากสองวันก่อนที่ผ่านมาไม่ได้พูดเพิ่มเติมในสาระพวกนี้ยังคิดว่าวันนี้ก็ได้เวลาที่น่าจะเป็นกราบเรียนถามท่านไปนบูลยพิปุนโนเพิ่มเติมตมานะคะ จะได้ให้ความรู้ท่านละเอียดมากไปยิ่งขึ้นกลับมามาตการค่ะ ค, ค่ะเจนบอลค่ะในที่ท่านธรรมะได้เล่ามาถึงตรงจุดที่ธรรมะห้าข้อเนี้ยจ่ิงๆตั้ง แ, แต่วันก่อนนั้นเราได้จะพูดถึงเรื่องของโพชงทั้งเจดอยู่ค่ะ โ, โพชงเนี่ยก็คือแปลว่าองค์ธรรมแป็การตรัสรู้ธรรมนั่นก็แปลว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่ให้จิตนั้น พร้อมแกการตรัสรู้ธรรมคือถ้าจิตทั่วๆไปคือจิตสักดวงใดดวงหนึ่งคุณโยมติวนะจะผางขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์อย่างเงี้ยนะมีความมีวิมุตตหลุดพ้นหลุดไกลออกจากกิเลสเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยจะต้องมีสักอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็อย่างนี้แน่นอนนะนี่ก็จะพูดถึงคือโพชงนั่นเองนะโพชงเจ็ดที่พระเจ้า ได้แยกองค์ประกอบไว้ให้เนี่ยนะก็คือว่าจิตสักดวงใดดวงหนึ่งนั้นอย่างน้อยจะต้องมีสตินะสตินั้น จ, จึงเรียกว่าสติสัมโพชงนะ <Okay. S 1> ถ้าใครก็ตามมีสติแล้วเนี่ยอย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังนั่งรถเมอยู่เอาฟังเสียงวิทยุนี้อยู่อาจาจะจนเอ็นกายก็ตามเถิดไม่ว่าอะไระเราก็ได้ยินเสียงนี้อยู่แล้วก็ฟังไปเนี่ยแล้วตัวเองมีสติอยู่เนี่ยจิตคุณเนี่ยนะพร้อมแล้วนะที่จะบรรลุธรรมนะค่ <Okay. S 1> นะ อนอกจากสติแล้วมีอะไรอีกนะพระเจ้าก็ได้ทรงตรัสถึงธรรมวิชย์สัมโพชงค่ะนะคือจิตที่มันมีสติเนี่ยเวลามันมันมีสติคือความที่ไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบแล้วก็ไม่วิ่งหนีใช่ไหมเกือรู้อยู่เฉยเนี่ยไอจิตที่มันรู้อยู่เฉยเนี่ยมันจะสามารถที่จะใคร่ครวนธรรมะด้วยปัญญาได้นะเพราะว่าคุณไม่ไม่วิ่งหนีไม่ไหลไปตามการที่ไม่มีวิ่งหนีไม่ไหลไปตามเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเห็นธรรมอะไรสักอย่า ง, างหนึ่ง นั่นคือธรรมวิจยาสัมโพชงนะนี่คือข้อที่สองนอกจากนี้องค์ประกอบที่จิตจะต้องมีนะที่จะทําให้ตรัสรู้ทําได้เนี่ยก็คือว่าพอจิตที่มันมีการใกล้ครนธรรมรู้ธรรมะเนี่ยไอ้จิตแบบนี้คือมีความเปลี่ยนนะมีความเพียนไม่ใช่ว่าคุณต้องมายกของหนักปีนขึ้นบันไดออกกําลังให้เหงื่อแตกอันนี้ก็ทางกายเฉยแต่เราพูดถึงความเพี่ยนทางจิตนะความเพี่ยนทางจิต ต, งตรงนี้กเรียกว่าวิริยะสัมโพชง เพราะเราเห็นธรรมะใคร่ครว่นธรรมะไปเรื่อยๆทำไปทำไปเนี่ยจิตเรามันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเกิดขึ้นในความอิ่มเอิบความสบายใจตรงนี้คือข้อที่4ที่เรียกว่าปีติสัมโพชงเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกคนยมติวเราไม่ต้องให้คนนั้นมาพูดดีๆกับเราไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเราก็มีความสุขได้เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในนี่คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจ ที่ทำให้เราไปวีมุติได้นะคนที่อิ่มเอิบใจสบายใจเนี่ยคุณยมติว้วเขาก็จะไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องน้ําจะแรงน้ําจะท่วมนะเขาก็สบายใจอยู่นะไอการที่เขาไมว่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยคือคือกายของเขาเนี่ยจิตของเขาเนี่ยมีความสงบระ ง, งับไงไอความสงบระ ง, งับเนี่ยนั่นคือปัสจุัที่สัมโพชงปัสจัที่แปลว่า ความสงบระ ง, งับนะ <assumed. S 1> เป็นความสงบระ ง, งับอยู่ในภายในนะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบน ะ, ค, ะคือปัสสตินะเป็นองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะให้พร้อมแก่การตระหนักรู้ธรรมอันนี้เป็นข้อที่5 <คะ S 1> เนะเาะค่ะพอจิต ท, ที่มีความสงบระงับอยู่ในภายในไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเนี่ยนะจิตแบบนี้เป็นจิตที่เรียกว่ามีความสุขอยู่ในภายในนะมีความสุขอยู่ในภายในเพราะเราไม่ต้องไปแคร์ใครใช่ไหม เราอยู่สบายๆข้างในใจเราเพราะเราสบายๆในใจเรามีความสุขเนี่ยระดับของความสุขเนี่ยคุณชมติยวเป็นตัวบอกระดับของสมาธิออค่ะตัวสมาธิที่เกิดขึ้นจากความสุขเนี่ยนั่นแหละคือสมาธิสัมโพชงค่นะเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นละน่ะอทีนี้ไอ้เจ้าสมาธิสัมโพชงนี่กอเกิดมาว่าจิตเรานิ่งเป็นอารมณ์เดียวนะสมาธินะจิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนะ จิตที่นิ่งเป็นอารมณเดียวเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบเราก็นิ่งเฉยอยู่ได้คนนั้นพูดอย่างนี้เราก็นิ่งเฉยอยู่ได้คนนั้นทำอย่อางนี้เราก็นิ่งเฉยอยู่ได้นิ่งเฉยอยู่ได้อาการที่เรานิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยนั่นคืออุเบกขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุเบกขาตรงเนี้ยคืออุเบกขาสัมโพชงนะอุเบกขาตรงนี้ก็ทําให้จิตเราไปวิมุตได้คะนะคือไม่ได้ต้องมีทั้งเจ็ดอย่างนะอ เ, เอาอย่างใดอย่างเดียวก็เปพอสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะในเจ็ดอย่างนี้ค อทีนี้มีแล้วเอาทำไมฉันเมื่อเช้าก็ทําได้นะจิตฉันก็เป็นสมาธินี่นา <ฮะ S 1> เาเดี๋ยวเมื่อวันก่อนก็เลืลึกได้ว่าฉันก็ทําอุเบกขาได้นะวันก่อนเห็นใบ ไ, ม, ไม้ร่วงแหมธรรมะมันก็เกิดขึ้นนะเอ๊ะทำไมยังไม่บรรลุสทีเพราะว่ามันยังต้องมีขั้นตอนหนึง่งคุณยมติวผู้รูเ้เจ้าบอกว่าเมื่อเราพูดถึงไล่มาก่อนนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงอะไรตันมา์พูดถึง อ, อนัปนสติใช่ไหม S <S เสร็จแล้วทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ใช่ไหม <Okay. S 1> พอสติปัฏฐานสี่แล้วจะทำให้เกิดโพชฌงเใช่ไหมทีนี้ <S <S ระหว่างโพชฌง7จตเนี่ยกับไปโพชฌงเจตเนี่ยจะทำให้เกิดวิมุตติทีนี้เราจะทำยังไงให้โพชฌงเจะเกิดวิมุตตฉันมีโพชฌงเแล้วนะฉันมีองค์างการเปการตรัสรู้ทำแล้วนี่ผู้ชายํามอย่างนี้ <S <S คือ <S <S อาศัยสมมติเรา อ, อาศัยอะไรดีอาศัยปีติก็ได้ความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะเราอิ่มเอิบใจสบายใจภายในนะไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกนะเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยผู้ชาบอกว่าต้องอาศัยทํสามอย่าง จะทําให้ความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยพาคุณไปวิมุตได้นะอย่างแรกคือความวิเวกวิเวกวิเวกนี่คือหมายถึงจิตตาวิเวกนะค่ะกายวิเวกจิตวิเวกมี2อย่างใช่ไหมจิตวิเวกในที่นี้ก็คือว่าจิตคุณไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนนะคือถ้าจิตคุณจะมาถึงไอ้เจ้าปัสติอหมายถึงปีติสัมโพชงเนี่ยคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยจิตยังไงคุณก็วิเวกอยู่แล้วนะไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอก คือคุณต้องรักษาจิตที่วิเวกนั้นให้ได้นี่คือวิเวกข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็ต้องอาศัยความจางกลาย่นะคืออะไรที่มันเกิดมาแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีอะไรก็ไม่เที่ยงถามว่าไอ้ความอิม่มเอมใจความสบายใจที่คุณมีเนี่ยมันดับไหมตอบได้เลยมันดับแน่นอนเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาอา่ะมีเกิดต้องมีดับแน่นอนนะอะไรที่เกิดมาหมายหัวไปเลยมันต้องตายนะมันต้องดับไปเพราะฉะนั้นไอ้ความมีแบบใจความสบายใจ ที่เรามีอยู่ในภายในเนี่ยมันต้องจางคลายไปมันต้องมีการค่อยๆเฟดลงค่อยๆจางลงไอ้ตรงจังหวะที่มันจางเนี่ยแล้วมันจะดับไงนะอันที่สองนะคือความจางคลายนะคือวิ ว, ว, วิราคะนะความจางคลายอันที่สาคือความดับไหนอย่างเวลาที่เรารู้ลมหายใจอยู่คุนเตียวเรามีสต <c oughs> ิในลมหายใจใช่ไหมเ <c oughs> วลามีเราจะเพลินไปกับความคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราลมหายใจเราหายปุ๊บเลยไม่ใช่แต่ลมหายใจเรากจะค่อยๆแบบว่า สติที่เราไปอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปสติที่เราไปรู้กับความคิดจะไหลไปตามความคิดเนี่ยมันค่อยมากขึ้นมากขึ้นอาการเนี้ยคือเรามีความจางคลายในสติของลมหายใจเข้าใจไหมค่ะเดี๋เพราะฉะนั้นมันคือเหมือนกับเวลาที่เขาเขาเรียกว่าดีเจเขาเปลี่ยนเพลงนะเขาจะเฟดมิวสิกอันแรกลงแล้วจะค่อยปรับมิวสิกอันที่2ขึ้นเนี่ยค่ะตรงเฟดลงเนี่ยคือความจางคลายจนกระทั่งมันดับคุณต้องเห็น3าอย่างเนี้ยบ่อยๆ เพราะไปเห็น2อย่างนี้บ่อยๆนะคืออาศัยความวิเวกนะจิตคุณวิเวกแล้วคุณจะเห็นอย่างที่2และสานี่เกิดขึ้ น, นอาศัยจิตที่คุณวิเวกเนี่ยคุณจะเห็นความจางคลายความดับอาศัยจิตที่คุณวิเวกเนี่ยคุณจะเห็นความจางคลายความดับไอตอนไปเกิดเนี่ยคุณโยมติ๋วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราจิตเรามันมีตัณหาอยู่แล้วมันมันติดตึบทันทีมันเป็นแม่เหล็กดูดตึบทันทีคุณไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะไม่เกิดเข้าใจไหมเพราะจิตคุณยังไม่หมดจากตัณหายังไงมันเกิดแน่นอน แต่เราไม่ทันมันไงเพราะนัเราจะต้องเห็นตอนจังหวะที่มันจางคลายไปมันดับไปเห็นตอนจังหวะที่มันจางคลายไปมันดับไปอันมรายย้ำอีกครั้งนึงนะต้องเห็นจังหวะที่มันจางคลายไปมันดับไปเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยแค่ไหนบ่อยเท่าที่มันจําเป็นอยากจะถามว่าเด็กเนี่ยเขาต้องเวลาที่เขาหัดเดินนะคุณชมติวเขาต้องล้มกี่ครั้งกว่าเขาจะเดินเป็นมันเป็นตัวเลขที่กําหนดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาต้องล้มสักหมื่นครั้งเขาถึงจะเดินเป็นเนี่ยให้มันล้ม2องหมื่นครั้งเลย ให้มันจะได้เดินได้เป็นยิ่งมากยิ่งขึ้นดังนั้นจังว่าคุณจะต้องเห็นไอ้จางคลายไปดับไปจางคลายไปดับไปจางคลายไปดับไปกี่ครั้งคุณถึงจะปล่อยวางได้ก็เท่านั้นครั้งแหละเพราะฉะนั้นพอเราทําไปเห็นความจางคลายเห็นความดับนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะจิตคุณวิเวกสบายๆอยู่นะเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของอะไรก็ของปีตินั่นแหละเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของอะไร ของสมาธินั่นแหละสมาธิ uniform, ไม่ดับเหรอไม่ใช่สมาธิดับเห็นความจางใครเห็นความดับไปของอะไรของสตินั่นแหละสติก็ดับได้นะเห็นความจางใครเห็นความดับไปของอะไรอูเบขาไงอูเบขาไม่ดับหรอไม่ใช่มันดับได้นะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจิตเราจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางจิตเราจะน้อมไปเพื่อโวสกะคือความปล่อยวางความสลัดคืนความสลัดลงความทิ้งความปล่อยความวางความละความไม่เอา ไม่ถือเอานั่นคือโสคัทั้งหมดเลยค ะ, ะคือความสลัดคืนเพราะสลัดคืนเท่านั้นแหละโฮ้ยไม่เอาแล้วเบื่อแล้วพอแล้วจบแล้วไม่สนใจแล้ววางได้เท่านั้นน่ะวางอะไรได้คุณโยมติววางสมาธิไงวางอุเบกขาวางสติวางธรรมวิจัยสัมปช o n วางปิติวางปัจสถิวางมันหมดเลย วางองธรรมเป่งการตรัสรู้ทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่เป็นแค่เครื่องมือพอใช้ได้บรรลุผลก็จะวางวางแล้วจะเกิดวิมุติขึ้นค่ะวิมุติแปลว่าความหลุดพ้นนะท่านพุทโธคะ่ะคือท่านกําลังเข้าใจว่า <c oughs> อ่าท่านกําลังบอกท่านผู้ฟัง <c oughs> ซึ่ง uh huh. อยู่บนหนทางแห่งการปฏิบัติแล้วอาจจะฟังท่านพิบูลแบบงงมากเลยไม่เห็น <c oughs> เคยเห็นที่ท่านพิบูลพูดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเออให้ทําต่อไป แล้วจะพบเห็นได้ด้วยตัวเองหรือว่าให้ท่านสามารถจินตนาการได้อ่านหนังสือหรือจินตนาการไปตามนั้นคือสิ่งที่จะต้องสิ่งที่ต้องจินตนาการนะมีอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องรอคอยผลก็มีอยู่แยกเป็นสองส่วนก่อนสิ่งที่คุณจะต้องจินตนาการก่อนก็คือว่าเฮ้ยคนฉันจะต้องเห็นความจางใกลเห็นความดับอันนี้เราจะต้องทำนะถ้าคุณไม่ได้ทาไม่ได้คุณจินตนาการเอา จินตนาการบบหมถึงว่าคุณกำหนดสัญญาความหมายรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีนะลองหาดูซิมันอยู่ตรงไหนความจางคลายความดับไม่มีเอ้ยทำไมไม่เห็นคุณวิเวกหรือยังถ้าคุณยังไม่ไม่คุณมีปีติหรือเปล่าที่คุณไม่เห็นนะ่ะใช่ไหมเราก็ต้องทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นต้องจินตนาการเอาต้องทำนะสิ่งที่คุณต้องรอให้เกิดขึ้นยังยังไม่เห็นแน่นอนตอนเนี้นั่นคืออาการที่มันโวสักะคือความปล่อยความสลัดคลืนสลัมความทิ้งความไม่ถือเอาความกว้างเอาความกว้างไปเลยอย่างเงี้ย ตรงนี้เราต้องรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งมันยังไม่มาค่ ะ, ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นก็คืออันนี้ให้เป็นความรู้ว่าพระพุทธองตรัสไปเช่นนี้ดิฉันสามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะคะ<ช>คือเรามา เ, <ล>เรียนความรู้ของพุทธชาตินั่นเองตรงส่วนนี้เพราะนั้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยท่านกําลังได้รับความรู้ที่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่พบมาก่อนจากการตรัสรู้ได้ตรัสกับสาวกทั้งหลายแล้วก็สืบทอดถ้อยคําเหล่านี้มาถึงทุกวันนี้ใ่ อ่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครถ้าท่านปฏิบัติด้วยวิธีที่พระพุทธองค์สอนเห็นเหมือนกันไหมคะโอ้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าถ้าทําความเพียรไม่หยุดกลางคาันเห็นแน่นะคะแน่นอนพระเจ้าฟันธงไว้นะถ้า<ช>ทําทอย่างไม่อ่อย่อหย่อนทําอย่างจริงๆจังจเนี่ยก็ไม่เกินเจ็ดปีโอ้เจ็ดปีพูดโเวอเกินไปเอาเจ็ดเดือนก็แล้วกันเจ็ดเดือนก็คงยังเวอร์ไปเอาเจ็ดวันก็พอไม่เกินเจ็ดปีนี่เห็นแค่ไหนคะเห็นทุกอย่างเลยไหมคะไปถึงโลกสัตว์โลก โศกศักดะใช่วิมุตินั่นแหละแต่ต้องอาศัยเหตุที่ว่าเราต้องเป็นคนตรงนะไม่มีมารยาไม่โอ้วดมีสัญชติคนตรงทำตามที่สอนเป๊ะๆนั่นแหละคุณได้คือหมานถึงว่าถ้าทำเป๊ะๆทุกอย่างเนี่ยใช่จะเป็นไปตามนั้นตนั้นไม่ไม่ใช่เจ็ดปีแต่ยังพูดเวอร์ไปเอาแค่เจ็ดวันพอ่ะค มีความหวังมากเลยก็ต้องใช้สติมากในการจะประคับประคองไม่ให้หลุดจากเส้นทางเลยแม้แต่น้อยใช่ใชก็ฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ต้องอาศัยความจริงจังแล้วก็อินทรีย์บารมีด้วยมันค่ะทีนี้ถูกต้องถูกต้องจะเร็วจะช้าก็อยู่ที่อินทรีย์บารมีของเราค่ะนะคะก็ต้องกราบน้ำสการขอบพระคุณท่านเพรือบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านฟ้งท่านฟังก็โหเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมง์ก็แล้วแต่ อุโมงมันจะมีความยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่แบบว่าเราเนี่ยรู้ตัวของเราเองว่าเราเริ่มต้นแค่ไหนใกล้ปลายทางของอุมโมง์หรือยังนะคะแต่ไงก็ยังเห็นแสงนะ่ยก็พาตัวเองไปข้างหน้าที่แสงนั้นก็แล้วกันวันนี้ดิฉันเองมาฝากเอาไว้นะคะสำหรับรายการของเราเรามีผุ้ทวจนะที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะกัดเอาไว้แล้วก็มีความละเอียดประณีต ชนิดที่ว่าไม่มีใครทําได้เสมอเหมือนเนื่องจากพระพุทธองค์นั้นได้ใช้สมาธิทุกท่อยทุกคําตรัสแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีจะคลาดเคลื่อนไปจากกันเลยความก็ยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะคะเป็นความมหัศ จ, จรรย์อย่างยิ่งควรค่าในการศึกษามากที่สุดในโลกท่านกา็สามารถที่จะขอหนังสือจัด ก, การนี้ได้นะคะ0ูนย์สองสองาพระอาจารย์ของท่าน มาจาชาวโรคือพระคึกฤทิโสธทพโลนะคะท่านก็มอบให้กับพวกเราเป็นประจำหรือไม่งั้นท่านก็ไปที่วัดนาปพงอยู่ลำนูกาคลองสิบนะคะซึ่งที่นั่นจะมีท่อกระถิ่นวันที่4ี่พฤศจิกาส่วนท่านพบูลนั้นมีผู้ฟังหลายท่านทีเดียวก็ฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์เพียวธรรมะ p u r e d h a m m a com ฟังในการนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูผ่านวิธีการนำเสนอที่เรียกว่าเป็นมัลติมีเดียหลายรูปแบบนะคะที่นั่นว่าปาดอนไหัย์อยู่อุดรธา น, นีค่ะใกล้เหมือนไกลแล้วตอนนี้ก็กำลังจะท่ากระทิมนในวันที่11เดือน11ค่ะเพืฟังที่ครบทุดเวลาแล้วจริงๆดิฉันสัสธินาคพง ฝากเอาไว้ว่าท่านที่สนใจรายละเอียดมากกว่านี้ของเรื่องที่พูดไปท่อนท้ายเนี่ย น, นะคะก็โทรไปที่022690006ที่ฉันฝากรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือเผยแพ่ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้ด้วยค่ะพทวัรสวัสดีค่ะ